เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีคนที่เบื่อหน่ายท้อแท้ต่อชีวิตเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ผิดหวังบ่อยๆอะไรทํานองนี้และผลสุดท้ายก็คิดว่าตายซะดีกว่าและก็คิดฆ่าตัวเองซึ่งการหาทางออกเช่นนั้นเป็นทางออกที่ไม่ถูกและก็เป็นทางออกที่เกิดโทษแก่ตนเองเนี่ความสังเวทสลดใจที่เราไม่ใช้โยนิโสมนสิการเข้าไปกํากับแล้วก็เกิดโทษอย่างนี้ เพราะว่าเมื่อเบื่อหน่ายชีวิตตนเองแล้วก็หาทางทําลายชีวิตตัวเองขึ้นโดวยวิธีต่างๆฉะนั้นในภาวะเช่นนี้เราจึงต้องประคองจิตผู้ปฏิบัติถ้าจิตอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วต้องประคองแล้วอย่างเนี้อยู่ในข้อที่ว่าต้องประคองจิตในสมัยที่ควรประคองทีนี้เราจะประคองอย่างไรเช่นเป็นต้นว่าถ้าหากว่าจิตเนี่ยเกิดความสลดหดหู่ท้อถอยต่ออารมณ์ เราจะประคองจิตเนี่ยด้วยวิธีอย่างไรจึงจะปลุกจิตของตนเองเนี่ยให้เกิดเป็นความฉเฉลียวฉลาดขึ้นจากเกียจคร้านมาสู่ความขยันขันแข็งจากท้อแท้มาเป็นบากบันในการที่จะปฏิบัติหรือในการที่จะเผชิญต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเราจะทำอย่างไรท่านตรัสไว้ว่าในยามใดถ้าหากว่า จิตของเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะเช่นนี้เช่นความกีดคร้านหรือความสลดขดผูท่อถอยได้ครอบงำจิตถ้าบอกในภาวะเช่นนั้นจะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงต้องเจริญวิยะสัมโพธชงต้องเจริญปีติสัมโพธชงการเจริญธรรมวิจยะสัมโพธรรโชงเนี่ยเราจะเจริญอย่างไรคาว่าธรรมวิจยะ หรือเราเรียกในตามหลักภาษาไทยว่าธรรมวิจัยก็คือการวิจัยธรรมหรือค้นคว้าถึงสภาวะธรรมนี่เรียกว่าธรรมวิจยะเขาบอกว่าให้เราจเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงนี่วิธีที่จะเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงนี้เพื่อที่จะแก้ไขภาวะของจิตที่สลดหดขู่ท้อถอยจากอารมณ์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลก็มีธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษก็มีธรรมที่หยาบและประณีตก็มีธรรมที่ดำและขาวก็มี <Okay. S 1> การทำให้มากซึ่งความใส่ใจโดยแยกคายในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสมโพธชงหมายความว่าเราจะทําธรรมวิจยะสำโพธชง์นี้ให้เกิดอย่างไรต้อบอกว่าเราต้องใช้โยนิโสมนัสิการหรือต้องใช้ความใส่ใจโดยแยกขายในธรรมเหล่านั้นก็คือจะต้องพิจารณาวัตธรรมทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นกุศลก็มี ที่หยาบก็มีที่ประณีตก็มีที่มีโทษก็มีไม่มีโทษก็มีที่ดาก็มีที่ขาวก็มีให้เราพิจารณาทั้งสองด้านสองฝ่ายไม่ใช่ให้ปักใจไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเราจะมองว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือเกินในชีวิตเกิดมาเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ตลอดเวลาก็ไม่ใช่หมายความว่าในชีวิตเนี่ยจะมีแต่ทุกข์เท่านั้นความสุขก็มีอยู่หรือไม่ใช่ว่าในโลกเนี่ยมันมีแต่ความชั่วร้ายทั้งนั้น มีแต่ความชั่วมีแต่คนชั่วต่างๆก็ไม่ใช่หมายความว่าในโลกนี้จะเต็มด้วยความชั่วร้ายเท่านั้นความดีก็มีอยู่หรือไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะมีแต่ความหยาบเท่านั้นความประณีตก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ตะมีแต่สิ่งที่เป็นดำเป็นอาธรรมเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นธรรมขาวหรือเป็นธรรมก็มีอยู่มันเป็นของคู่กันการรู <c oughs> ้จักพิจารณาแยกออกว่าของในโลกนี้ย่อมมีย่อมเป็นของคู่กันย่อมเป็นสิ่งคู่กันอยู่เสมอๆ เ, เนี่ย เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยการพิจารณาเช่นเนี้เท่ากับว่าเราได้วิจัยถึงเหตุผลถึงธรรมแล้วว่ามันมีทั้งสองอย่างเราก็ไม่ปักใจไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปและไม่มองโลกในแง่ดีเกินไปแต่เรามองทั้งสองแง่มีทั้งร้ายมีทั้งดีมีทั้งสองด้านมีทั้งสุขและก็มีทั้งทุกข์มีทั้งที่หยาบมีทั้งที่ประณีต เรารู้จักแยกได้ทั้งสองแง่สองลักษณะอย่างนี้นั่นแหละเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้สติปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้หรือขจัดความเกียดคร้านต่างๆได้อันนี้เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงนี่ท่านตรัสไว้โดยย่ออีกในยัหนึ่งท่านตรัสว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยถึงสิบเอ็ดประการด้วยกันเดิถึงเจดประการด้วยกัน ปัปจจัยที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสำโพธชงถึงทั้งเจ็ดประการเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าบอกว่าธรรมวิจัยหรือการที่เราจะไปวิจัยธรรมะให้เกิดเป็นธรรมวิจยะสำโพธชงนี้ประการที่หนึ่งต้องอาศัยการสอบถามการสอบถามนะท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีสาหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่ามีจิตหดผู่ทอถอย ภาวะของจิตตกไปสู่ความสลดโถดหู่อย่างนี้เราจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้ไว้คนเดียวไม่ได้แล้วต้องสอบถามท่านผู้รู้ว่าเอ๊ะทำไมจิตจึงตกไปภาวะเช่นนี้หรือคนที่กำลังท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยต้องปรึกษาเราจะไปคิดคนเดียวไม่ได้ถ้าเราคิดคนเดียวหรือเก็บความรู้สึกอันนี้ไว้คนเดียวแล้วก็อาจจะเกิดโทษเป็นโทษเพราะฉะนั้นต้องปรึกษา เริ่มตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นต้นไปเช่นอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเรามีความเบื่อหน่ายพอแท้ต่อชีวิตละก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องตัดสินใจทําอะไรอย่างไรอย่างหนึง่งตามลาพังต้องปรึกษาปรึกษาใครก็ปรึกษาท่านผู้รู้จะเป็นพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์หรือจะเป็นบัณฑิตท่านใดท่านหนึ่งเราต้องไปปรึกษาการปรึกษาหรือการไปสอบถามผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจ เกิดความสว่างสวยขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสลดหดหู่อย่างนี้เกิดความท้อแท้อย่างนี้ต้องสอบถามก่อนถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องสอบถามอาจารย์ที่ควบคุมปฏิบัติหรือท่านผู้รู้ในเรื่องสภาวะชิ้นนี้ว่าจะแก้ไขยังไงจิตเนี่ยจึงจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าถ้าความรู้สึกอย่างนี้ดิ่งลงไปแล้วมันก็มีแต่จะทําให้เกิดโทษเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องปรึกษาท่าน และท่านก็จะหาอุบายหาวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ไขจิตของเราเองได้ด้วยการนึกคิดถึงเรื่องต่างๆการสอบถามจึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสัำโพธชงอย่างนี้ประการที่สองก็คือทําวัตถุให้สะอาดที่ว่าทําวัตถุให้สะอาดเนี่ยตั้งแต่วัตถุภายในวัตถุภายนอก วัตถุภายในก็คือวัตถุภายในร่างกายเราเองชําระร่างกายให้สะอาดวัตถุภายนอกก็เช่นอย่างเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยต่างๆนี่ก็ต้องทําความสะอาดนี่เรียกว่าทําวัตถุให้สะอาดประการที่สามทำอินทรีย์ให้ให้สม่ําเสมอกันก็คือจะต้องปรับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้สม่ําเสมอกันอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลื่อมล้ําไป ปรับให้เสมอกันอยู่เสมออย่าให้ลืมล้ำกันขึ้นประการที่สี่เว้นจากคนที่ปัญญาสามหมายความว่าเราต้องไม่คบบุคคลผู้มีปัญญาสามต้องเว้นจากบุคคลประเภทนี้คืออย่าไปหมกมุ่นอย่าไปสมาคมด้วย <c oughs> แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตของเราได้ และประการที่ห้าคบคนมีปัญญาคาว่าคบคนมีปัญญาก็คือคบสัตว์ปรุษหรือคบบัณฑิตเราต้องคบบุคคลเหล่านี้คบคนที่มีปัญญาประการที่หกให้พิจารณาถึงสภาวะธรรมอันลึกซึ้งสุขขุมประณีดเช่นพิจารณาถึงรูปนามรูปนามคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาศึกษากัน หรื อ, อย่งในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนปรมา ธ, ธรรมจิตเจตสิก ค, คืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรต้องเรียนต้องศึกษาอย่าเอาความยากลําบากต่างๆมาเป็นอุปสรรคในการศึกษาของเราเราต้องพยายามใฝ่ใจอยู่เสมอยากก็ต้องเรียนต้องเรียนให้เข้าใจจนได้ <c oughs> การที่เราใฝ่ใจในสภาวธรรมอย่างเนี้ย <c oughs> ก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสมโพธชงนี่เป็น ประการที่6ประการที่7ดเราจะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยอันจะน้อมจิตของเราเนี่ยไปสู่คุณธรรมนั่นๆด้วยอัธยาศัยในตนเองนี่ก็สาคัญมากเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีอัธยาศัยในตนเองที่จะน้อมนำตนเองไปสู่คุณธรรมนั่นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่ธรรมวิจยะสมโพธชงจะเกิดขึ้นได้นี่หมายถึงอุบายที่จะให้เกิดธรรมวิจยะสำโพธชง หรือในส่วนแห่งธรรมวิจัยอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยองค์หนึ่งซึ่งท่านได้ตรัสไว้ถึงสองในายะด้วยกันคือในยะที่เราแยกธรรมออกไปเป็นสองฝ่ายกับการที่เราได้อบรมเหตุทั้งสิบทั้งเจ็ดประการเนี่ยให้เกิดขึ้นธรรมวิจยะสัมโคดชงก็เกิดนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เราจะต้องประคองจิต ด, ด้วยธรรมวิจยะประการที่สองก็คือปริยะโดยปกติ ความสรดปดหูท้อแท้เนี่ยเป็นเหตุแห่งความเกลียดคร้านเราจะแก้ความเกลียดคร้านเนี่ยได้อย่างไรเรื่องการแก้ไขความเกลียดคร้านเนี่ยบางคนแก้ไม่ถูกคือบางทีเราคิดว่าถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าเป็นวิธีแก้ไขคนไหนเป็นคนขี้เกียจเราไม่ให้คนนั้นทำงาน ให้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็จะเกิดความขยันขึ้นมาเองถ้าเราแก้ไขในกรณีเช่นนี้ก็เหมือนกับเราแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอนเราแก้ไขความง่วงด้วยวิธีอย่างไรโดยวิธีนอนเพไหนง่วงก็ให้นอนนอนให้หายง่วงแต่ว่าเมื่อนอนแล้วแทนที่จะหายง่วงกลับไม่อย่างนั้นยิ่งนอนก็ยิ่งง่วงไม่เชื่อท่านทั้งหลายทดลองดูก็แล้ยิ่งนอนทั้งวันก็ยิ่งง่วง ไม่ใช่ว่าจะทำให้หายง่วงไม่หายะยิ่งง่วงหนักขึ้นไปอีกยิ่งนอนมากยิ่งง่วงมากเพราะว่าการนอนหลับนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งของที่เราจะบริโภคกันอิ่มเหมือนกับบริโภคข้าวบริโภคน้าข้าวน้านี่รับประทานกันก็มีวันอิ่มพรับประทานเต็มที่แล้วก็อิ่มแต่เรื่องการนอนนี่ไม่มีคาว่าอิ่มนอนไม่อิ่มยิ่งนอนยิ่งเกียดครานเนี่ยเราจะต้องแก้ไขความเกียดคราน ด้วยความขยันเมื่อจิตตกอยู่ในภาวะเกียครานแล้วเราจะต้องปลุกจิตให้เกิดบริยะคือความขยันขึ้นทำยังไงเราถึงจะขยันทำยังไงถึงจะมีจิตฝักใฝ่ต่อการบำเพ็ญกุศลไม่ไม่เบื่อหน่ายโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อเลยว่าเราทําบุญแล้วไม่เบื่อหรือเราทํากุศลแล้วไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่รู้สึกท้อแท้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะบางครั้ง แม้แต่การปฏิบัติธรรมนี่บางทีความเบื่อหน่ายเกิดท่านที่เคยปฏิบัติก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้บางทีนึกๆกก็เบื่อตัวเองขึ้นมาเฉยๆมันนั่งหลับตาอยู่ทําไมก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็เบื่อไปเองและพอสุดท้ายทิ้งไม่ปฏิบัติเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าความเกียดคร้านเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงจึงจะเกิดความขยนันไม่เกียดคร้านอย่างนั้นหรือ เราจะศึกษาธรรมะจะบำเพ็ญกุศลอย่างไรอย่างหนึ่งเราจะทำยังไงจึงรู้สึกขยันขันแข็งขึ้นทํายังไงตอนเช้าเช้าจึงจะตื่นหุงข้าวทันใส่บาตรพระอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าหนาวนี่บางทีก็ขี้เกียจตื่นขึ้นบ้างอะไรบ้างใส่ทุกวันทุกวันก็ชักเบือ่อบางทีก็เอ๊ะทำยังไงจึงจะใส่บาตรพระได้ทันเช้าเช้าหุงข้าวแต่เช้ามืดท่านบอกต้องปลุกบุริยญาให้เกิดแต่ี้วิริยะเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่า อยู่ๆจะให้ควขยันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราจะให้ตัวเราเองขยันขันแข็ง ข, ขึ้นมาไม่ได้ทำทั้งหลายต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงจะเกิดได้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เช่นอย่างวิริยะเนี่ยเราจะให้วิริยะเกิดจะทำยังไงถึงจะเกิดเป็นวิริยะขึ้นมาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความภาคเพียนขึ้นท่านตรัสไว้ว่า <c oughs> ทำที่จะให้เกิดปริยะคือความภาพเพียรเนี่ยหรือเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความเพียรมีอยู่สิบเอดประการด้วยกันประการที่หนึ่งพิจารณาเห็นภัยในอบายมากมากคือเราจะมีความขยันในการทำบุญก็ดีหรือในการที่เราจะสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี จะต้องเป็นคนพิจารณาเห็นภายในอบายภายในอบายเนี่ยคือจะต้องนึกถึงว่าการเกิดในนรกก็ดีการเกิดเป็นเปรตก็ดีการเกิดเป็นอสุรกายก็ดีเป็นเดรัจฉานก็ดีเป็นทุกข์เหลือเกินถ้าหากว่าเราไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อย่างนี้เราจะเป็นทุกข์มากมายอบายภูมินี่เป็นภัยแก่ชีวิตสัตว์ที่ท่องเที่ยวในวตัตะสงสารมาก <c oughs> ทั้งตัวเราเองหรือก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรจะมาปิดประตูอบายให้แกเราได้เพราะว่ายังไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างเราเป็นผุ้ตุชนอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเดินอยู่ปากขุมของอบายพลาดพลั้งลงไปก็ลงนรกพลาดพลั้งลงไปก็เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดริดชานไปเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนี่ว่าเราเนี่ยจะไม่ตกนรกแล้ว เพราะผู้ที่จะปิดประตูอบายได้ไม่ตกนรกแล้วอย่างแน่นอนมีคติที่จะไปสู่นิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือผู้นั้นต้องเป็นโสดาบันโสดาบันบุคคล น, นั้นปิดประตูอบายได้แล้วแล้วเราบรรลุเป็นโสดาบันหรือยังเรายังไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นเราก็ยังเดินอยู่ปากบ่อของอบายนี่เองถ้าเราประมาทเพียงนิดเดียวเราก็อาจจะไปสู่อบายภูมิ ภูมิได้ภูมิหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขวนขวายในการทากุศลการพิจารณาเห็นภัยในอบายอย่างนี้ก็ทำให้เราขยันขึ้นแทนที่เราจะท้อแท้ไม่ทำบุญเราก็จะรีบขยันในการทาบุญขึ้นมาทันทีเราตื่นสายใส่บาตไม่ทันก็จะเป็นคนตื่นเช้าขึ้นว่าการลำบากในการตื่นเช้าการลำบากในการไปทำกุศลทาความดีนั้นดีกว่าไปเกิดในอบายภูมิซึ่งมีความลาบากมากกว่านี้ เราก็จะเห็นว่าอา น, นิสงของการที่เรามีความภาพเพียนในการทำความดีเนี่ยมีอยู่มากและความขยันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาถึงอบายโทษของอบายมากๆถ้าไม่นึกถึงโทษของอบายแล้วก็ไม่ขยันในการทำบุญไม่ขวนขวายนี่เป็นเหตุปัจจัยประการที่หนึ่งเหตุปัจจัยประการที่สองก็คือการเล็งเห็นอา น, นิสง การเล็งเห็นอนิสงฆ์เนี่ยหมายถึงการบรรลุคุณวิเศษนั้นๆทั้งที่เป็นฝ่ายโลกิยะและทั้งที่เป็นฝ่ายโลกุตระว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยความเพียรทั้งสิน้นคนไม่มีความเพียรจะบรรลุถึงธรรมอันเป็นส่วนโลกิยะและโลกุตระไม่ได้อนิสงฆ์ของธรรมที่เป็นโลกิยะเนี่ยคืออะไร อ น, นิสงค์ของธรรมที่เป็นโลกิยะนี่ก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติฌานอภิน ญ, ญาซึ่งอันนี้เป็นธรรมที่เป็นส่วนโลกิยะหรือแม้แต่จั ก, กรพัฒสมบัตริรูปสมบัติทรัพสมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้บุคคลผู้นั้นต้องมีความเพียรทั้งสิน้นไม่มีความเพียรแล้วจะยังธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แสดงให้เห็นว่าความเพียร น, นี่เองที่เป็นเหตุให้เราได้ทำได้รับอานิสงส์งทั้งที่เป็นส่วนโลกียะเหล่านี้แม้บุคคลที่จะบรรลุถึงซึ่งความเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ที่เรียกว่า น, นิพพานนั้นก็สําเร็จได้ด้วยความเพียรทั้งสิน้นทำที่เป็นโลกุตระเนี่ต้องมีความเพียรอยู่คนไม่มีความเพียรจะไปสู่โลกุตระธรรมได้อย่างไร เมื่อเราปรารถนาโลกิยธรรมโลอุตรธรรมอย่างนี้เราก็ต้องเป็นคนมีวิริยะพอนึกถึงอนิสงค์อย่างนี้ความขยันก็เกิดได้เราก็ปราบในความเกียยคร้านต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยให้มันหมดไปตามลำดับกลายเป็นคนขยันขึ้นเนี่ยการพิจารณาถึงอนิสงค์ของธรรมที่เป็นส่วนโลกีและเป็นส่วนโลภุตระนั้นก็เป็นเหตุประการหนึ่งที่จะทาให้เกิดความฉลาดขึ้นมาหรือเกิดความ ขยันขันแข็งขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้มากระตุ้นเตือนนี่เป็นเหตุปัจจัยประการที่สองว่าเราจะได้มาก็ต้องอาศัยความเพียรประการที่สามให้พิจารณาถึงวิถีการดําเนินของพระพุทธเจ้าของพระปจเจกับพุทธเจ้าและของพระมหาสาวกต่างๆท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว ที่ว่าไปดีแล้วเนี่ยไปอย่างไรที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ไปดีแล้วนั้นเพราะท่านทั้งหลายเหล่านี้ไปแล้วไม่หวนกลับไม่เวียนกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่พวกเราได้มีอยู่จำเจกันที่ว่าไปแล้วไม่เวียนกลับในที่นี้ก็คือท่านไปสู่พระนิพพานธาตุเบญจขันธ์ของท่านเนี่ยดับแล้วโดยรอบไม่มาสู่ความเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างเราซึ่งยังไม่ถึงซึ่งโลกุตรธรรมอ น, นั่น ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บมาตายบ่อยๆ อ, อย่างเนี้ยชาติแล้วชาติเหล่าไม่สิ้นสุดเกินสิทีหนึ่งซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีวิถีทางดําเนินไปสู่ที่เหล่านั้นแล้วไม่หันกลับท่านเสด็จไปดีแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ดําเนินตามหมายความว่าเราจะดําเนินตามมันคานี้ของพระพุทธเจ้าของพระปฏิจเจ้าพุทธเจ้า ของพระอาหารหันตสาวกเนี่ยเราจะต้องดาเนินสู่มันคานี้เช่นเดียวกันเพราะว่าบุคคลที่จะไปดีแล้วไม่หวนกลับหรือมีวิถีทางดำเนินเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจ้พุทธเจ้าพระอาหารหันต์นั้นท่านเหล่านี้ต้องอาศัยความเพียรทั้งสิน้นการดำเนินตามพระเรียเจ้าเหล่านี้ ไม่ใช่ดำเนินได้ด้วยความเกียจคร้านแต่ต้องดำเนินได้ด้วยความขยันขันแข็งต้องอาศัยความภาคเพียรเนี่ยเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้แล้วความเพียรก็จะเกิดทำให้เราเกิดความขยันในการที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สามที่จะทำให้เรานี้เกิดบริยะเกิดความเพียรขึ้นมาประการที่สี่ ท่านสอนพระสงฆ์ว่าต้องเคารพในบินทบาทโดยทำสักการะของทายกให้มีผลมากที่ว่าต้องเคารพในบินทบาตเนี่ยก็หมายความว่าต้องรับทยทานของทายกทายิกาด้วยความเคารพเหมือนพระไปบิทบาทตอนเช้าทายกทายิกาจะใส่บาตรด้วยอาหารชนิดใดก็ตาม ยาหรือประนีก็ตามต้องรับต้องรับด้วยความเคารพด้วยนอกจากรับด้วยความเคารพแล้วจะต้องทำสักการะคือทยทานของทายกทายกานั้นให้มีผลมากให้มีผลมากเนี่ยทํำยังไงเช่นอย่างสมมติว่าเราจะรับปัจจัยสี่จากญาติโยมมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาในการใช้ปัจจัยสี่ว่าปัจจัยสี่อันนี้เป็นของญาติโยม เป็นของถายกทายิกาเราจะใช้ปัจจัยสี่อย่างเนี้ให้มีประโยชน์ได้อย่างไรและประโยชน์อันเนี้ต้องได้มากด้วยโดยผู้ที่บริจาคปัจจัยสี่นั้นจะได้อนิสงฆ์มากขึ้นต้องรู้จักใช้ปัจจัยสี่เหล่านั้นอย่างเนี้เรียกว่าเคารพต่อบิณฑบาตและทําสการะของทายกให้มีอานิสงฆ์มากอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยเฉพาะว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะให้สการะที่ทายกมาถวายเนี่ยมีอานิสงฆ์มาก เหมือนกับท่านทั้งหลายจะปัจจัยไปถวายพระพระท่านก็ต้องพิจารณาวปัจจัยก้อนนี้ควรจะสร้างอะไรควรจะทําอะไรจึงจะมีประโยชน์มากต้องทําสการะอันเนี้ให้มีผลมากนี่เป็นปัจจัยข้อที่สี่ที่จะให้เกิดปริยะคือความเพียรได้การรู้จักเคารพต่อบินทบาทหรือทําสการะของทายกทายิกาให้มีผลมากอย่างนี้ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความเพียร เกิดริยะขึ้นมาจะต้องเป็นคนขยันแล้วเป็นคนเกียกรคร้านไม่ได้เพราะว่าผลแห่งทายธานของทายกทายิกาเนี่ยจะเกิดผลมากต้องอาศัยปฏิคาหกเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรปฏิคาหกไปเกียกรคร้านไม่ได้ต้องขยันเมื่อขยันแล้วทายธานที่ทายกทาริกามาถวายก็มีผลมากด้วยจากความขยันนั้นนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สี่ เหตปัจจัยข้อที่ห้าคือการพิจารณาถึงคำสอนของพระาศาสนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีปกติกล่าวถึงเรื่องความปลารบความเพียรไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความเกียรติครานหรือไม่ได้สอนให้เราเนี่ยเป็นคนเกียรตครานแต่ท่านสอนให้เราเนี่ยปลารบความเพียร จะเป็นธรรมฝ่ายโลกพิยะโลกุตระก็ตามจะสาเร็จแก่บุคคลได้ต้องมีความเพียรทั้งนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายจะศึกษาได้จากปฏิปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาเนี่ยท่านใช้ความภาพเพียรอย่างมากในการบรรลุธรรมคือพระสัมมาสัมพุทธญาณหกปีเต็มๆนะ่ะเป็นเวลาแห่งการบาเพ็ญเพียรบาเพ็ญทุกอย่าง เพื่อที่จะไปรู้แจ้งสัจธรรมใช้เวลา6ปีเต็มๆจึงได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณนะระยะเวลา6ปีนี่เป็นเป็นปัจฉิมชาติเท่านั้นแต่ว่าในชาติที่อบรมความภาคเพียรพยายามมาอย่างนักในสมัยที่เป็นโพธิสัต์นั้นมีมากมายทั้งหลายสิบชาติที่บำเพ็ญความเพียร น, นั่นเนี่ยเป็นบา ร, รมีเช่นอย่าง ในสัชชาตที่เป็นพระมหาชนกอย่างนี้บำเพ็ญเพียรถึงขนาดว่าแม้จะไม่เห็นความหวังในอนาคตแต่ก็เพียรไปเช่นอย่างเมื่ อ, อ, อพระโพธิสัตว์ท่านเป็นพ่อค้าเรือไปแตกกลางทะเลเพื่อนๆจมน้ําตายหมดที่จมน้ําตายเพราะว่าท้อแท้แล้วมองไม่เห็นความหวังว่าเราจะไหวถึงฝั่งได้อย่างไร เพราะมองไม่เห็นฝั่งกำลังใจก็เสียเพราะกำลังใจเสียกำลังกายก็เสียผลสุดท้ายจมน้ําตายหมดแต่พระมหาชนกคือพระโพธิสัตว์นี่ท่านไม่ท้อแท้แม้ท่านจะมองไม่เห็นฝั่งท่านก็ไหวยอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ลอยคออยู่มีกําลังอยู่ท่านก็ไหว้ถ้ามีกําลังอยู่ท่านไหว้ไหวไปท่้งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งว่าทิศทางที่ไหว้ไปเนี่ยไปหาฝั่งหรือเปล่าหรือห่างจากฝั่ง มองไม่เห็นแต่ท่านก็ไหวแหวกว่าอยู่เสมอจกนกระทั่งเทวดาทนไม่ไหวมากล่าวเยอ่อเย้ยว่าเอ๊บุรุษใดหนอมาแวกว่าอยู่กลางมหาสมุทรทั้งทั้งที่มองไม่เห็นความหวังอย่างนี้ทั้งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งท่านกระตัสว have ่าแม้เราจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะใช้ความเพียรของเราเนี่จนถึงที่สุดเราจะใช้ความเพียรของบุรุษเนี่ยจนถึงที่สุดแม้เราจะมองไม่เห็นฝั่ง เราบุคคลที่ตายไปด้วยความเพียนนั้นย่อมชื่อว่าไม่เป็นหนี้แก่ใครในโลกและผลสุดท้ายอันนี้สองอันนี้เองที่ทําให้ท่านถึงฝัง่งเนี่ยความเพียนอันเนี้ยท่านบําเพ็ญมาอย่างอุกริตแล้วเพราะฉะนั้นในชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าท่านก็บําเพ็ญความเพียนได้อย่างอุกติตเหมือนกันอันนี้เป็นปฏิปทาที่เราต้องพิจารณาอยู่เสมอเสมอเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดความเพียนขึ้น แทนที่จะเป็นคนเกียดครานเราก็จะเป็นคนภากเพียนขึ้นมาเป็นคนขยันขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุประการที่ห้าให้ปรารบความเพียนอย่างนี้เหตุประการที่หกพิจารณาถึงความเป็นทายาทความเป็นทายาทเนี่ยคือศาสนานี่ก็เหมือนมรดกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นมรดกที่สำคัญมรดกอันนี้จะอยู่ได้ต้องอาศัยทายาท ใครล่ะที่เป็นทายาทนับมรดกก็คือพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาด้วยพระภิกษุสมณีหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเหล่านี้แหละที่เป็นทายาทของพระศาสดาเราที่จะรับมรดกคือพระธรรมเหล่านี้ได้การที่จะเป็นทายาทนี่ท่านก็ได้ติงไว้นิดหนึ่งว่าเราจะเป็นทายาทกันแบบไหน เพราะว่าทายาทมีอยู่สองประเภทอามิตสทายาทประเภทหนึ่งกับธรรมทายาทประเภทหนึ่งอามิสทายาทในหมายถึงเป็นทายาทด้วยอามิตรหวังรักษาอามิตรหวังมุ่งอามิตรในาศาสนาเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังเพื่อที่จะรักษาพระสัพทธรรมหรือพระธรรมวินัยไว้ท่านสอนให้เราเนี่ยเป็นธรรมทายาทการเป็นธรรมทายาทนั้นก็คือจะต้องปรารภธรรมเป็นใหญ่เช่นการศึกษาธรรมวินยัยให้เข้าใจแตกฉาน แล้วเราสามารถทําสอนคนอื่นได้สามารถแก้พวกปรัมประวาาได้คนเข้าใจธรรมะผิดสามารถแก้ไขให้เข้าใจถูกได้นั่นแหละจึงจะดำรงาศาสนาไว้ได้ถ้าหากว่าพุทธบริษัทไม่มีความแตกฉานไม่ศึกษาธรรมวินัยหรือระวังคสัตตุศาสตร์แล้วไม่สอนผู้อื่นแล้วนั่นยังเป็นธรรมทายาิไม่ได้ก็ถ้ากว่าเราก็รักษ า, าศาสนาไว้ไม่ได้ การจะรักษาศาสนาได้ต้องเป็นธรรมทายาิและการเป็นธรรมทายาินั้นก็คือจะต้องศึกษาการศึกษาเท่านั้นที่จะดำรงศาสนาได้ศึกษาให้คล่องใจและก็สามารถสอนคนอื่นได้สามารถแก้ข้อคล่องใจให้ผู้อื่นได้นั่นแหละจึงจะทรงศาสนาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภิกษุสมณเนอุบาสกอุบาสิ ก, กา ไม่มีปฏิปทาเหล่านี้แล้วก็ยังเป็นธรรมทายาทไม่ได้หรือเป็นศาสนาทายาทเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะต้องพิจารณาถึงความเป็นทายาทของพระพุทธองค์นั้นการรักษาธรรมวินัยนี้ไม่ใช่จะรักษาได้ด้วยความอียดคร้านหรือไม่ใช่เราจะรักษาศาสนาได้โดยการฉันและวก็จําวัดนอนอยู่เฉยเฉยไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เผยแพร่ธรรมะ ไม่ปฏิบัติธรรมะแล้วก็บอกนี่แหะคือรักษ า, าศาสนาการรักษาจริงคือรักษาวัด ร, รักษากุติเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่รักษาตัวาศาสนาคือพระธรรมวินยัยการรักษาธรรมวินยัยหรือความเป็นทาสญาตในาศาสนาเนี่ยต้องอาศัยความเพียรไม่ใช่ความเกียดคร้านต้องอาศัยความภาคเพียจรจิงจะรักษาได้นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห ถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณคือความเพียรแล้วก็รักษาศาสนาไว้ไม่ได้เนี่ยเมื่อพิจารณาถึงเหตุหกประการนี้วิริาะก็เกิดเหตุประการที่เจ็ดการบรรเทาความง่วงเหงาหานอนเช่นบางครั้งเราปฏิบัติไปเกิดง่วงขึ้นมาอย่างนี้ท่านก็สอนให้เราแก้โดยอารมกะสัญญาสร้างความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลากลางวัน ให้เราอยู่กลางแจ้งเอามือรูปหน้ารูปตัวหรือเอาน้ำล้าง